ตอนนีส้สิ้นปีวันนี้นะสิ้นปีนี่ได้ตัวเลขเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะดีใจไหมครับท่ได้ตัวเลขเพิ่มอเองนะไหมแกกว่าเก่าปีตัวเลขนี่นับเพิ่มอีกปีหนึ่งใครห้าิก็จะเพิ่มเป็นห้าสิเอ็ดอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครได้สังเวกับวัตถุไปบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยนะปกตินี่มีอยู่เรื่องหนึ่งคือในในชาดกเรื่องหนึ่งอะ แล้วก็มีเหตุการณ์อันนี้ทั้งในสมัยที่เป็นชาติดกกัสมัยที่สมัยพุทธกาลจะคล้ายกันสมัยพุทธกาลเนี่ยคือมีพระพิโุประมาณสัก500ร้อยรูปเนี่ยเขาไม่ไปฟังธรรมเหลากลางคืนบอกโอ้ไปรูปไปทำอะไรพระพุทธเจ้าก็าพูดแต่เนี่ยธสองลิงสนะแล้วก็วจนะสองโพธกับวจนะอันเดียวกันวจนะสองลิงสาวิพัตเ นนะก็มีเทศอยู่เท่านี้จริงๆไปวันไหนก็เทศอยู่เท่านี้ฉั้นอย่าไปเลยนนะตอนนั้นแกก็เลิกไปฟังธรรมนม่อีกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องไอ้มูลปริยสูตรพอพระองค์แสดงจบเนี่พระภิกษุเหล่านี้ไม่รู้เรื่องเล ย, เลยพอแสดงจบไม่ยินดีเลยนะไม่รู้เรื่องเลยพอไม่รู้เรื่องก็ ก, ก็ก็ลดมานะไดา้ทีนี้ บอกว่าภิกษุกลุ่มเนี้ยไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวอดีตชาติก็เหมือนกันมางั้นผมบอกเราว่าภิกษุห้าร้อยรูปเนี่ยอดีตชาติพระพุทธเจ้าเป็นพรามสอนสอนไตรเพศเนี่ยนะสอนทีนี้พอสอนไตรเพศเนี่ยจบวิชาลูกศิษย์ก็ไม่ไม่ไ ม, มาอุปถาอาจารย์อะไรละแต่ ว, ว่าอาจารย์รู้อะไรเราก็รู้นั่นแหละมางั้นเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ก็ถามว่านนะลูกศิษย์นี่ก็แม้ กอดอกเลยนะจาย์จะถามอะไรก็ถามมาเพราะว่าไงเราก็รู้หมดอยู่แล้วนะนะนนจา์ก็ถามว่าอะไรเนี่ยมันกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวของมันเองอ น, นั่นนะก็บอกว่าช่วยตอบทีนะทีแรกก็แม้ชูหน้าว่าจะตอบปัญห า, าจานอยู่แล้วพอตอบปั๊บก็นิ่งเลยเงียบเลยตอบไม่ได้นะอะไรห น, น อ, นน อ, นนอนนกลืนกิน สัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองเนั่นนะคุณมันมีเก่งมากตอบได้นะนี่นนะเคยฟังมาตอนนี้ปีกอนไล่ฟังอ๋อปีก่อนเลา่ลาให้ฟังแล้วนะท <c oughs> ีนี้พอลูกศิษย์เขาก็ตอบไม่ได้เพราะตอบไม่ได้ทําไงนะก็บอกเอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้มาตอบก็แล้วกันพรุ่งนี้มาตอบอีกก็เงียบอีกเหมือนกันแท คือคําถามเต็มว่าอะไรเนอกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองแล้วอะ่ะมีผู้ที่กลืนกินสิ่งนั้นได้อีกเรียบร้อยเห็นไหเขาบอกว่าการเวลาเนี่ยกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองส่วนพระขีณาศพเนี่ยเป็นผู้พ้นการเวลาแล้วเหนไะเพราะอะไรเพราะพระขีณาศพท่านอยู่หรือท่านโดยตัวลําพังตัวท่านนะ พราว่าท่านอยู่กับท่านดับขันเนี่ยไม่ความรู้สึกของท่านไม่ต่างกันนี่นะคือไม่มีอคติอะไรเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นผู้กลืนกินการเวลาได้นี่นะนวณว่าจิตใจของท่านเหนือการเวลาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีชีวิตหรือท่านดับขันปรินิพานเนี่ยนะโดยโดยจิตของท่านท่านก็ไม่มีอภิชากับโทมนัสในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ทนการเวลาเนี่ยนะ ของเราก็ถูกการเวลากินไปอีกปีหนึ่งกินตรงไหนบ้างมันกินทุกส่วนในในร่างกายเนี่ยก็ตัวเลขก็เขียนเพิ่มอีกตัวหนึ่งเวลาขึ้นสถานที่ทั่วๆไปอายุเท่าไหร่นะปีที่แล้วเขียนเลขนะขีนี้เขียนเพิ่มอีกเลขหนึ่ง น, น่าจะสังเวชใจขึ้นบ้างนะวันแรกอาจจะสังเวชบ้างหลังๆไปก็ชิ้นอีกนะน้กว่ายัง ยังไม่เท่าไร่ใช่ไหมแต่ว่าไอเวลาที่ที่ได้มาเนี่ยนะอย่างสมมติว่ปีที่ผ่านมานะสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเราได้กันเต็มเต็มกันทุกคนนะและปีต่อไปเนี่ยเราแน่ใจหรือว่าเราจะได้เต็มอีกเท่าเดิมนะจะได้นับครบเท่าเดิมตามเดิมเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีนิมิตอะไรมาบอกด้วยว่าปีหน้าต่อไปเนี่ยฉันจะนับได้ครบ 365เปลี่ยนพอส อ, อย่างนี้ไปเรื่อย <c oughs> สังเวกาวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่น่าคิดก็อย่างเช่นพอสเนี่ยนะพรุ่งนี้นะเปลี่ยนพอสอเขาใช้คำว่า 2,545 น, นี่นะพุทธศักราชหรือพุทธศักราชหมายถึงว่า การเมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายดับขันปรินิพานล่วงไปแล้ว 2,545 ปีนับแต่วันดับขันปรินิพานเป็นต้นมาท่านเราได้อะไรบ้างนะ ถ, ถ้าใช้คำว่าพอสอนนะสมัยพระพุทธเจ้าล่วงมาขนาดนี้แล้วรเราน่าจะได้สังเวกบวัตถูกบ้างนะขนาดผู้ที่บำเพ็ญบารมีสะสมบุญมาอย่างมาก พระองค์ก็ยังดับขันปรินิพานเนี่ยนะพระธรรมคําสอนของพระองค์ที่สอนเอาไว้ในโลกนะนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในยุคหลังๆก็จะห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะก็ควรที่จะได้สังเวชวัตถุในส่วนนี้ด้วยนะผู้ที่มีบุญขนาดนั้นก็ยังห่างเราไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะของเรานี้ได้รับอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างนะนะได้รับคําสอนหรือว่าประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมอะไรจาก จากพระองค์บ้างที่ผ่านมาเนิ่นนานขนาดนั้นนจริงปกติเขาจะมาอวยพรกันนะออกมามาพูดซะให้เสียเลยปกติอ้าวปีใหม่นะมีความสุขมีอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าอันนั้นก็คือในแง่หวังดีเมตตาเป็นอย่างนั้นแต่ถ่าในแง่สัจจะเออเนี่ยนะทุกข์สั์มันปรากฏชัดเจนขึ้นนนะความชราชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยนะ กล่าวถึงในพระไตรปิฎกของเราที่เรียนกันต่อเลยนะคือในช่วงนี้กล่าวถึงธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็ถึงขันธบัพะกล่าวถึงการพิจารณาขันนีนะการพิจารณาขันพิจารณาว่าะนนะสูตรรวมๆเต็มๆก่อนว่าว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความเสื่อมไปแห่งรูป อย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความเสื่อมไปแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความเสื่อมไปแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนะ แล้วก็พิจารณาขันเหล่านี้เป็นภายในบ้างพิจารณาขันนั่นเนี่ยเป็นภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างอันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมะเหล่านี้มีอยู่เพียงเพื่ออาศัยรู้คือเพื่อให้เกิดความรู้หมายถึงปัญญา เพียงเพื่อเจริญสติหรือเพื่อให้สตินี้เจริญงอกงามไพยบูรยิ่งขึ้นนะเธอก็เป็นผู้ไม่ยึดถือด้วยอุปาทานขันนะนะคือไม่มีอุปาทานขันอะไรอะไ ร, ะไรในโลกให้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นพุทธพจน์ในขันธ บ, บพนะนะนั่นนะสีนการพิจารณาว่ารวมๆสรุปย่อยๆวันนี้ขันห้านนะนะ สพูดแบบประมวลหมดเลยนะบอกนี้ขันห้านี้ความเกิดขึ้นแห่งขันห้านี้ความดับไปแห่งขันห้านี้ขันห้าดังนั้นก็พอเห็นอะไรหรือรับอารมณ์อะไรก็อุทานคํานี้ออกได้เลยนะโอกกันี้ขันห้าเห็นมอญยุพินบอกเออนี e ้ uh, ขันห้าเห็นไหนี้ความเกิดขึ้นแห่งขันห้าเห็นไหม แต่ความดับไปแห่งขันห้านี่ได้แต่วิปริณามาลักษณะามั่งนะในในข้อสุดท้ายในบรรดาห้าข้อนะ <c oughs> แล้วก็ในชั้นของการเจริญหรือพิจารณาก็หมันระลึกให้ได้อย่างนี้ก่อนนะแรกๆคร่าวๆกว่านะถ้าร ะ, ะลึกอันนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะต่อไปได้วไปยังไงนะนะนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ขันห้าคือมองทุกอย่างให้เป็น ขันห้าให้พิจารณาทุกอย่างให้เห็นเป็นขันห้าและเสแส้งหรือเปล่าไม่ใช่เพราะมันจริงๆมันก็คือขันห้านั่นแหละเนี่ยนะก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเออนี่ขันห้านะแล้วขันห้าเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะปัจจัยอะไรหนาททำให้ขันห้าเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะทำไมทุกคนไม่มีความเหมือนกันเลยเอนี้กรรมเป็นเหตุให้ขันเหล่านี้แตกต่างกันเนี่ยนะ ที่กรรมมันให้ผลก็เพราะมีอวิชาและภวะตันหาที่เจริญเติบโตก็อาศัยอาหารเนี่ยนะาอวิชาตันหากรรมเป็นเหตุเพื่อที่จะทำให้ขันห้าเนี่ยเกิดขึ้นอาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงคอยพิทักษรักษาเนี่ยนะให้ขันเหล่านี้เป็นไปแล้วขันเหล่านี้ก็เจริญเติบโตไปตามลำดับของเขาเนี่ยนะตามสมควรก่ปัจจัยนั้นๆแต่ทีนี้ขันเหล่านี้เสื่อมเป็นไม้นั่นนะ ถ้าจะสิ้นสุดหรือว่าขันเหล่าเนี้จะหมดจะจบจบที่ไหนจบเมื่อไรเห็นไหมทำเราใดก็มีเหตุเป็นแดนเกิดนะนะถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุขันห้าเหล่านี้ก็เหมือนกันเป็นขันที่มีเหตุเป็นแดนเกิดอะไรเนอะเป็นเหตุให้เกิดขันก็อวิชาตันหากรรม <c oughs> ถ้าดับอวิชาดับตันหาดับกรรมได้ขันเหล่านี้ก็จะจะดับไปจักไม่เกิดขึ้นขันที่มีอยู่ก็ รอแต่สภาพความเปลี่ยนแปลงความไม่จริงยัง่งยืนขอนข้างทีนี้มาดูการพิจารณานั้นอ่ะเราก็ควรพิจารณาขันในหลายๆวิธีเนี่ยนะอย่างในขันธบะขันธวรวักเนี่ยนะคือวักว่าด้วยขันในสังยตติกายคือสังยตติกายเนี่ยวักจะใหญ่นะอย่างวักที่หนึ่งเรียกว่า อะไรนะสคาทวักนี่นะวักแรกวัแรกนะรวมรวมมาเนเรียกว่าสคาทวักวัคที่สองเรียกว่านิทานวคกนี่นะวักที่สเรียกว่าขันทวรววที่สเรียกว่าสลายตนะวรวัที่ห้เรียกว่ามหาวารวัมีอยู่หวหาวกก็ห้ากลุ่มนั่นแหละทีนี้ในแต่ละวักนี่ก็มีหลายสังยุธ์นนะอย่างเช่นในขันทวารวักก็มีหลายสังยุทธ์ เช่นขันทสังยุทธราทสังยุทธเนี่ยนะก็มีหลายสังยุทธทิฏฐิสังยุทธเนี่ยนะก็มีอยู่หลายสังยุทธด้วยกันอันแต่ละวักแต่ละวักก็มีหลายสังยุทธนี่ในบรรดาขันวักทั้งหลายแหลนนะีขันทวรวักนี้เป็นการรวบรวมเกี่ยวกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องขันเกือบทุกแง่มุมเหมือนกันเถอะเกือบทุกแง่มุมที่มีอยู่ในพระสูตรเอามาเรียบเรียงไว้ในขัน ในขันดวรวะกลุ่มพระนนทเนี่ยท่านเรียบเรียงมาให้ะนนั้นผู้ที่จะพิจารณาขันท่าก็ควรศึกษาวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนําในการพิจารณาขันท่าเนี่ยนะคือถ้าแต่ละสูตรซ้ํากันหมดจะไม่มีสูตรเพิ่มเนี่ยนะก็สูตรเดียวก็รู้กันแต่ทีนี้จะมีความแตกต่างกันบ้างในการพิจารณาถ้ากล่าวโดยรวมๆเนี่ยนะขันท่าอุปาทานขันในฐานะเป็น ทุกขสัตว์เนี่ยนะโดยสัจจะนี้อุปาทานขันห้าเป็นทุกขสัตว์ตัณหาที่เป็นเหตุเกิดแห่งขันห้าเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะความไม่เป็นไปแห่งทุกขและสมุทัยเป็นนิโรธสัตว์ข้อปฏิบัติที่ทําให้กําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเนี่ยนะปฏิบัติอย่างนี้แหละเรียกว่ามขสัตว์เนี่ยนะมขสัตว์ทีนี้ขันห้าเมื่อขันห้าในฐานะเป็นทุกขสัตว์ ความจริงของทุกขสัตว์มีอยู่ว่าอะไรทุกทุกขะก็คือทุกขังใช่ไหมทุกขสัตว์ก็มาจากทุกขังทุกแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าว่างเปล่าทุกขังรวมศัพท์ก็แปลว่าไม่ดีและศูนย์เปล่าคือไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีมีแต่มันศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าจากความเที่ยงศูนย์เปล่าจากอัตราศูนย์เปล่าจากความงามแล้วก็ศูนย์เปล่าจากความนินิรันด์คือความยั่งยืน สรุปว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานั่นเองถ้าว่าให้เต็มก็ว่าอนิจจังนะขันห้าสิ้นตายขันห้าเป็นทุกข์เพราะว่ามันน่ากลัวขันห้าเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอยู่ในนั้นนี่ในบรรดาการเข้าไปพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีวิธีการพิจารณาอยู่หลายอย่างด้วยกันนะในแต่ละสูตรแต่ละสูตรที่พระองค์แสดงไป อย่างเช่นในอนุธรรมมสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะข้อแปดสิบสามหน้าแปดสิบสี่กล่าวว่า <c oughs> ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะย่อมมีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาอยู่ พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในสังขารอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่เนี่ย น, นะกล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือเป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อบรุษมรคนิพพานเนี่ยถ้าจะปฏิบัติให้สอดคล้องแก่การบรุษมรคนิพพาน จะต้องเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในขันห้าอ่นนะว่าให้ตรงเลยง่ายๆว่าวถ้าคุณอยากปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะคุณต้องคิดให้เบื่อในขันห้าให้ได้อ่นนะถ้าไม่เบื่อในขันห้ามรรคผลนิพพานบรรลุไม่ได้อ่า น, นะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสอดคล้องสอด อ, อ, อ่นนะสอดคล้องต่อการแทงตลอดอริยสัจอ่ะต้องเห็นขันห้าเป็น เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายนี่นะท like. ีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วอยู่ๆมันเบื่อขึ้นมาเลยมันนึกเบื่อขึ้นมาเลยนึกไม่ชอบขึ้นมาเด้อเดเลยหรือเปล่าบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนีนะทั้งคนที่จะมากด้วยความเบื่อหน่ายในขันท่าได้ก็คือเห็นความไม่เที่ยงของขันท่าเห็นความเป็นทุกข์ของขันท่าเห็นความเป็นอนัตตาของขันท่าเมื่อเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขันท่า นี่ยนะก็จะมากด้วยความเบื่อหน่ายเนี่ยนะถ้าเห็นถูกต้องก็จะมากด้วยความเบื่อหน่ายนั้นภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและก็ในวิญญาณอยู่ย่อมกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือทํามากด้วยความเบื่อหน่ายจริงๆในในขันห้าก็จะมากด้วยปริญญา3นันะคือจะมีปริญญา3ในขันห้า คือมีปริญญาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพาะเมื่อกาหนดรู้ขันหเนี่ยนะด้วยปริญญาสคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปเนะมื่อทําปริญญาอย่างบริบูรณ์ก็หลุดพ้นด้วยอริยามรรคอะนะย่อมหลุดพ้นจากเวทนาย่อมหลุดพ้นจากสัญญาย่อมหลุดพ้นจากสังขารย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณาโศกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปจากทุกเห็นไหมสูตรนี้บอกข้อปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนาแล้วอริยมรรคบรรลุเกิดขึ้นเป็นอย่างไงสูตรนี้ถ้าว่าให้ตรงเลยก็บอกว่าสูตรที่กล่าวถึงมรรคอย่างเดียวเห็นไหมคือวิปัสสนาเนี่ย น, น, นะก็คือนับว่าเป็นมรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเป็นคําว่ามรรคแปลว่าเป็นทางอ่ะนะเป็นทางเพื่อให้แทงตลอด อริยมรรตนี่นะที่ที่เป็นทางอันสูงสุดเพราะในในสูตรนี้พูดออกท์หน่งว่าน ah ิพพิธาพระหูโลแปลว่าเป็นผู้มากด้ว ย, ah ยนิพพิธาเนะนิพพิธาพระหูโลวังกันเถอมากด้วยความเบื่อหน่ายในขันห้าถ้านที่ฟังนะฮะ ว่าเบื่อหน่ยายครั้งแรกเนี่ยคล้ายๆว่ามันเพราะว่าเบื่อท่านในสูตนี้บอกว่าเบื่อแล้วจึงมากําหนดทําปริญญานี่นะฮะจึงทําให้คิดว่าทําปริญญาก่อนจนเห็นโทษจึงเบื่อหรือว่ายังไงแน่ครับหรือว่าเห็นเบื่อครั้งแรกนี้เป็นการเบื่อแบบโทส ะ, ะที่จริงแล้วทั้งเบื่อเบื่อที่ว่าเนี่ยนะก็เบื่อด้วย ตีระปริญญาและก็ปหานาปริญญาที่เป็นโลกิยะนี่ยนะจริงๆก็คือทั้งความเบื่อนั้นก็คือปริญญานั่นแหละคืออยู่ในกระบวนการของปริญญาอย่างนับเนื่องในปริญญาเนี่ยนะเพราะว่าตีรณปริญท่าถ้ากล่าวว่ายาตาปริญญาคือการกําหนดรู้ขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยตีระคือการพิจารณาใครครวนขันห้าโดยรอบคอบปะหานาปริญญาหมายถึงอริยมรรคผลคำว่าตีรณปริญญานั้นนะ อมความไปถึงนิพพิทาด้วยเพราะนั้นในการเข้าไปเบื่อหน่ายในขันห้าก็คือนิพพิทายาอีกอย่างนึงเห็นไหมก็คือตีรณปริญญานั่นเองนไะอันผู้ที่ผู้ที่เบื่อหน่ายอย่างนี้นะถ้าว่าให้ตรงอะ่ะความเบื่อหน่ายในขันห้านั่นแหละคือการทําปริญญาในขันห้าโดยสัจจะนี้ขันห้าเป็นทุกขสัตว์เมื่อทุกขสัตว์ก็ปริญญากิจอยู่แล้ว ันผู้ที่เข้าไปมากด้วยความเบื่อหน่ายในขันท่าก็คือคนที่ทําปริญญากิจในอุปาทานขันท่านั่นแหละเนี่ยนะขันทําปริญญาในขันท่าอย่างบริบูรณ์ก็จะหลุดพ้นจากขันท่าไอ้ความหลุดพ้นจากขันท่าอันนั้นเป็นมัคคสัตว์เนี่ยนะเป็นอริยมรรคขันความว่าหลุดพ้นจากขันท่าหมายถึงว่าถอนฉันทราคะคือสมุทัยสัตว์และก็ผู้ที่จะพ้นจากขันท่าจริงๆอ่ะต้องมีธรรมะที่สงบระงับจากขันท่าเป็นอารมณ์ จึงจะเชื่อว่าพ้นขันห้าไม่ใช่แค่ว่าไม่สนใจขันห้าแล้วพ้นนะไม่ใช่ไปความไม่สนใจก็เป็นขันอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะก็จนกว่าจะแทงตลอดสภาพที่สงบประงับจากขันห้าทั้งมวลในว่าในขันทวารวักเนี่ยนะท่านจะกล่าวตั้งแต่ตรณปัญญาขึ้นไปเป็นเป็นเป็นปัญญาขั้นข้ น, ขนในระดับสูงนะครับเจนพลก็จะมีบางสูตรบ้างที่บอกว่า รูปเป็นฉนะรูปคือมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตนั่นแหละตีระนยาตะปริญญาท่านแสดงแล้วคืออันที่จริงเนี่ยเราก็ควรจะเบื่อบ้างแล้วในในขั้นสุดตรมยายานถูกไหมครับเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกที่จะเบื่อหน่ายละแล้วก็มาเบื่อหน่ายอีกเมื่อมาขั้นขั้นยาตะปริญญาก็ต้องมีความเบื่อหน่ายในขั้นนั้นบ้างละ ถูกไหมแต่ว่ายังไม่ถึงป่าหานะปัญญามันไม่ <Fields. S 1> จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายบมื่อไหร่ที่เราฟังเห็นโทษเห็นอะไรต่อะไรนี่ก็ยังไม่มากด้วยความเบือ่อหน่ายคือข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ทําคือมากด้วยความเบื่อหน่ายคือตอนที่ฟังนี่ก็เบื่อหน่ายบ้างเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ได้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายคือถ้าใช้คําว่ามากแปล ว, ว่าเบื่อหน่ายบ่อยๆเบื่อหน่ายเยอะๆ เ, เบื่อหน่ายเป็นอัธยาสัยแบบนั้นเถอะจนกว่าไอ้ความเบื่อหน่ายอันนั้นมันเกิดมาก อันนั้นแหละเรียกว่าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันห้าแต่เห็นอ น, นิสงค์ของพระนิพพานนะเห็นอ น, นิสงค์ของธรรมะที่สงบระงับจากขันห้าไม่ใช่ว่าเจริญโทสะตลอดและเห็นและไม่ชอบสักเรื่องเลยนะโง่เท่าเดิมแต่ว่าโทสะขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเห็นภัยของขันห้าคืออารมณ์ทุกอารมณ์นะยคือถ้าพูดถึงแบบ ทั่วๆไปธรรมดาว่าขันห้ามันคืออะไรก็บอกว่าความคิดของคุณกับสิ่งที่คุณคิดน่ะขันห้าทั้งหมดเลยนหถ้าถ้าใช้คำว่าความคิดนะก็คือทั้งจิตเจติสิก็อยู่ที่เดียวกันใช่สิ่งที่คุณคิดบางทีก็คิดถึงรูปบ้างคิดถึงนามบ้างอัะนนะั้นก็ขันห้าอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดความคิดสิ่งที่คุณคิดทั้งหมดคือขันห้าถามว่าหน้าเบื่อหนอายห แต่ถ้าถ้าคนที่เบื่อถูกต้องอนะต้องไม่ลืมว่าสูตรว่าต้องเบื่อความคิดอันนั้นด้วยจึงจะชื่อว่าถูกต้องนะแต่ถ้ายังไม่ยังเอ๊ะความคิดอันนี้ก็ยังดีนะใช่ได้อย่างเออหน้าเบื่อหมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ก็ก็ถือว <ma pping interesting cat> ่าไม่มากไปด้วยความเบื่อหน่ายเพราะว่าผู้ที่มากด้วยความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายว่าความเบื่อหน่ายอันนั้นเนี่ยนะที่เบื่อหน่ายก็เป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความเบื่อหน่ายอันนั้นก็เป็นสังขารขันชนิดหนึ่งที่เกิดจาก ปัจัยเพราะฉะนั้นก็ควรแก่คานเบื่อนายด้วยผมยังเชื่อว่าภาษาไทยที่ <c oughs> ที่แปลมาจากนิพิธาแล้วว่าเบื่อน่ายเนี่ยยังไงยังไงภาษาไทยว่าเบื่อเนี่ยก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าถึงคำนิพิธา น, นนั้น <c oughs> ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะถ้า <c oughs> เบื่อจริงๆในเบื่อแบบโทสะเนี่ยภาษาบาลีจะต้องมีมีอีกคํานึงแน่เลยก็ <c oughs> <ม>ถ้าว่าให้ตรงนะย ก่อนที่<ช>จะใช้คำว่านิพิธาเนี่ยมันจะมีอยู่สามสามสัขึ้นมาสองสับขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะที่บายให้เห็นชัดถึงคำว่านิพิธาที่คำว่าเบื่อได้ขั้นแรกก่อนคือไัยนั่นงสองอาทีนวะแล้วก็สามนิพิธาเนี่ยไง 3คำเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะเห็นภัยเนี่ยก็คือเห็นความเสื่อมหรือพังเลยนะพังค่ะเห็นความความแตกทำลายของขันอยู่เสมอคือเห็นแต่ความแตกทาลายของขันแต่ก่อนที่จะเห็นความแตกทำลายของขันก็คือรู้อะไรรู้ความเกิดรู้ความเกิดโดยอาการ5้าของขันแล้วก็รู้ รู้ความเกิดโดยอาการ25ของขันรู้ความดับโดยอาการ25ของขันทีนี้พอไม่ใส่ใจความเกิดมาใสา่ใจที่ความดับมากไปด้วยพังขยานแล้วก็เห็นโดยความเป็นภัยภัยของขัน5มีอะไรบ้างเช่นชาติภัยชราภัยพยาธิภัย มารณภัยแล้วก็โสกาทิภัยโสกาที่ก็คือความโศกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อยังเกี่ยวข้องกับขันห้าอยู่ภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บไข้โรคต่างๆภัยคือความตายหรือว่าขันห้าเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความโศกความเสียใจความพ่รายรําพันความไม่สบายกายความคับแคนใจเนี่ยนะฉั้นสิ่งที่เป็นภัยอย่างนี้ถามว่ามันมีโทษไหมเนี่ยมีโทษ เมื่อมันมีทอษแบบเนี้ยควรไหมที่จะเบื่อหน่ายเนี่ยนะควรไหมที่จะเบื่อหน่ายในขันห้าแบบนี้เพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยสูตรนี้ว่านิพพทาพระหูโลพระหูละแปลว่ามากมากด้วยความเบื่อหน่ายอันผู้ที่มากด้วยความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าอย่างนี้ก็เชื่อว่าอะไร เชื่อว่าทำปริญญาในขัน5ผู้ที่ทำปริญญาในขัน5ได้อย่างบริบูรณ์ก็วิราคะหรือวิมุตเนี่ยนะหรือวิมุตถ้าว่าตรงๆและสูตรนี้เป็นนิเพทะภาคิยสูตรเรียกว่าสูตรว่าด้วยการชำระ ก, กิเลสสำหรับบุคคลประเภท อุคติตันยูเนะี่ยนเป็นสูตรของอุคติตันยูบุคคลคือผู้ที่บรรลุอะไรเร็วๆง่ายๆเพราะถ้ามาสอนโอ้นี่มันต้องกําหนดอย่างนี้นะเกิดอย่างนี้เสื่อมอนี้บอกโอ่าช้ามากสําหรับท่านอ่ะนะหรับเราบอกก็ยังไม่ทันอยากบรรลุอะไรเลยละกัน มีคำหรือเปล่าครับมีิธามีคำอะไรแปลเปล็นโทสะโทสะเนี่ยมาจากคําว่าปฏิฆะถ้าบอกว่าหมายมันขัดใจไปหมดเ ล, นเลยนะนี่ก็คือเบื่อทั่วไปนี่แบบว่าขัดใจไปทุกเรื่องอันนั้นแหละโทสะนั้นโทสะอันนั้นต้องต้องไม่ใช่ที่กําลังกล่าวถึงนี้นนถ้าโทสะอันนั้นไม่ต้องเจริญวิปัสนาหรอกไปเจริญเมตตาเถอด นะ น, นีนะหันไปโน่นนะเรียนเรื่องศีลให้มันดีๆเจริญเมตตาให้ขอให้ขาพเจ้ามีความสุขเถอะถ้าขาปเจ้าอืไมอไม่ใช่สักอย่างไม่ใช่ที่คุณว่าเลยเพราะนี่มันเกือบจะบรรลุมรรคแล้วเป็นวภิปัสสนาชั้นสูงไม่รู้มีเวทนาอะไรเ อ, อ่อบางคนโสมนัสเวทนา โดยมากนะถ้าไม่ใช่ออกจากอารูปฌานแล้วเจริมีปัสนาชั้นเนี้โดยมากจะโสมนัติเวทน า, นานเขาเบื่อเขาเบื่อแบบเขาโสมนัตนะมันเบื่อแบบว่าพ้นอันนี้แล้วได้อันนี้สักทีหนึ่งอ่ะนะหคือเขาเขาไม่ใช่เบื่อแบบเบื่อแบบคนไม่มีทางออกอ่ะนะเขาเบื่อแบบเขาเห็นทางออกอยู่ร่ำไรอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเบื่อนี้ได้นะอันนี้สงบแน่เนะี่ยเขาเขามาดไปแบบนั้นเขาโสมนัต มันจะเครียดแน่